ธนุกมันขึ้นกลมุลุวะนี่มันก็นั้นก็รู้แล้วว่ามันลุงมันขึ้นสภาพมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยอ๋อแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นอาการอาการธรรมอีกเรื่องกันอย่างนี้เนี่ยเขาจะทํามันสติปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอย่างนี้ก็รู้เนี่ยเขาจะทํามันทุกข์การทุกข์ก็จะป่วยแล้วป่วยเข้าไปท่านครับ จะทํากันมันจะทําอนาคนี้จะทําอันนี้มันก็ดูได้กันแล้วมันก็ไปติดกันอยู่อย่างนั้นมันก็คือคือว่าฝ่ายเรื่องโลกมันฮู้กันมันไม่หงุดุดุ้งได้ไงอคุณมันยุ่งวังอย่างงี้มันรําคาญโดยตรงนั้นมันเป็นรุ่นหลักนี้หลักเลย อุปทานมันก็มาเถื่อนหาหายไปลูกชอบพอผมห้ามเพื่อกันอย่างนั้นโลกเค้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันบ่เป็นหรอกไอ้นั่นจริงๆนี่ก็ควรแค่นั้นใครมาแล้วก็ไม่คุยด้วยนั่งด้วยคุยด้วยควรนั่งเนี่ยนั่งคุยเนี่ยคนมาหาคนทําไงถ้าคนนั้นมองคนนี่มาคนนั้นพนมหน้าถวายคนนี้เนี่ยจะไปบัวเท่าไหร่เราคงเจอสู้นั่นแหละคือว่ามึงก็เรียนช่วย ทั้งกําลังนั้นครับทั้งทั้งอะไรยังมีมรรคบางอย่างเนี่ยมีอะไรมีอะไรมีนําไปไม่ใช่ของไม่ต้องเนี่ยเนี่ยแบบเรายังอย่าทําอะไรเนี่ยธรรมดาเป็นปกติตามเรื่องของความกินไปลุกไปเคลื่อนก็จะลุกเนี่ยลุกคือลุกได้ก็ลุกนะอัตตนานะก็ไม่ปိုင်းนะถ้ากินไม่ได้ก็อย่ากินนะ อย่าดื่มน้ําฝักจริงแหมทําทําอะไรมันจะไปป่านี้ทําทําไม่ได้ว่ามันมันต่อไปไม่ได้อย่างเงี้ยรุ่งรุ่งอย่างนั้นเป็นปกติแล้วต้องไปฝึกถามมาทางไหนความคลื่นมันบอกตลอดเวลาความคลื่นกับความคลื่นมันรูปอย่างนี้ต่อไปได้ไม่จับอะไรจะสงสัยอะไรมีมีสงสัยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปกติผมมันครับ อันนี้ไม่ได้อย่างนี้หรอกมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติทั้งนั้นเดิมทีนั้นพอปฏิบัตินึกกรรมเรื่องปกติขึ้นมามันปกติของความจริงมันมันระวังมันอ่ะวุ่นมามันเรื่องมันไม่หาความพอดีไม่ได้นี่มีความโกรธมาอะไรมันวุ่นกันอย่างงี้พอหาเรานี่ก็มาได้ปัญหาลงดีกว่าความจริงก็มันก็วุ่นมันก็เพ้อทั้งนั้น แท้ที่ออกตัวออกมาแล้วมันม้วนคืนในวันนั้นเอากันยาวกันมาเราเราไปสายเดินไปกดให้เรียกรอนี่พลบ้านของกองคมทหารน่ะได้ฝั่งเขาจับห้องจับอะไรๆไม่น้อยแล้วประมาณนี้มารับทางตรวจจะเช็คให้เรียกรอว่าโหเห็นเป็นปกตินี่ เป็นเหมือนกันเลยครับมันก็คือเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วคือเกี่ยวลงเหมือนกันถ้ามันแสดงงั้นเออทําได้เลยแหละครับขณะที่มันกําลังเป็นนั้นมันไม่ต้องได้ไม่รู้เท่าไหร่โลกวันนี้มันเวลาปกตินี่ก็เหมือนไม่มีอะไรหรอกมันธรรมดาธรรมดามันบริกรรมจะเป็นก็ปุบปับของมันขณะที่มันปุบปับเนี่ยเอ้าตัวได้ได้นั้นรู้เลยอืมมีแต่เราก็รู้ ความไม่สะดวกของการทํางานที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดมันคนจะล้มทั้งยืนนะมันมันเป็นยากเหมือนกันอาจจะล้มมันก็เสียก็เริ่มใหม่แต่อย่างนั้นมาถามก็ถึงนี่มันยืนน่ะถ้าอะไรขัดข้องอย่างวันที่ 7 ที่ว่านั้นมันมันมาถามเค้าอันเวลามันปกติมันก็เหมือนคนนอนหลับเนี่ยมันนี่อย่างเงี้ยเผื่ออาจารย์มาถามในเรื่องบาง อันนั้นมันร้อนพอไปท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอะไรก็บอกเหมือนตัวเอวนี่แหละก็รู้ตัวมันกระดูกมันงอออกไปชนกระดูกข้างบนมันจะขับเส้นเราเลยไม่ต้องหมอเราก็ดูอยู่ก็เลยนี่กระดูกงอขึ้นไปชนกระดูกข้างบนกระดูกที่ข้างนั้นอัลเลมตัวนี้อัลเลมนี้เต็มเต็ม เวลาถ้าพบกันนิดนึงประมาณมันก็เก็บยกได้ทั้งถูกอันนี้นําเสียงมองลงไปเผ็ดโอดัง and evolve ทุกก็ถามมันมันก็ได้ครับเดี๋ยวไปให้ผ่านไปทีละแต่ตรงนี้ออกหันเราถือกันเราถือกันตรงนี้ตรงนี้ด้วยลองลงระบางนี้ที กับบริษัทเงินกัลลุงยืมลงพันบาทยุ่งหมดเลยน่ะดื่มน้ํามันก็ดอกก็ดื่มไม่ทันพออยู่นี่ก็มาอยากคนใหม่ทําได้กว่านั้นเกลียดรําคาญทีนี้ดูคนเก่ายาใหม่หมดคนรําคาญกันน่ะปริยานะนี่เห็นใครทํากันคนเรือนี้จะทํา ทุกขังอนิจจังตังมุปันนะนะขะตะงทุกข์ทุกข์ทั้งทางตาอย่างทุกข์ทั้งทางใจอย่างทุกข์ทางกายมันก็มีสมุทัยของมันถึงมันจะมีสมุทัยที่เป็นที่อยู่คือเป็นปัจจุบันในอันหนึ่งเป็นภายในที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นท้องทานท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันอ่ะเราจะเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้ เป็นธานุกอาหารแสลงมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ท้องร้าวแต่อันนี้ไม่เป็นอยู่ท่านที่ไม่เรียกว่าอมธามันก็มีอย่างถ้าธรรมชาติมันก็บอกอยู่นะธาตุมุทัยทางกายธาตุมุทัยทางจิตนะธาตุมุทัยทางจิตก็คือนั่นที่ราคะตัณหากับอุปาทานนั่นเองคือเรียกพี่ทางกามตัณหาเพราะปัญหานี้ธาตุมุทัยทาง อันนั้นมอไทยกำลังคาดกิขึ้นนําผมก้มลงเห็นใบม้านเป็นผายมันขันยอดนั่นก็ยอดมอไทยมอไทยก็เป็นนี้นอกจากจะเป็นที่โดดปืนสึกๆสมัยยะนะ กาลเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้เกิดเนี่ยเนี่ยทันเนี่ยเกิดที่นี่ครับแรงความทุกข์ขึ้นมาครับเกิดให้ขัดทุกข์เป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนอย่างงั้นครับรู้แล้วมีความดับถ้าแค่ถูกมันเนี่ยเกิดมันก็ดับเนี่ย ตั้งขึ้นมาทําให้ดับทําให้ทุกนั้นดับแล้วต้องตัดไปนี่ต้องแยกกันมันคุณพูดอันนั้นก็เป็นที่เหลื่อมทางก็เป็นช้าที่จะขัดการปฏิบัติมาจับหมายเนี่ยถ้าจะเป็นความทุกข์นี่ทั้งราก็คือความทุกข์นะปองก็คือความทุกข์ทุกข์ก็ปั่นก็ตามนะอันนี้เป็นต้น มันมาได้คือกันอือสันนิษฐานปันุปามากให้มันสันนิษฐานปันุปามากทั้งทาธิข์สรุปแล้วสันตภาเป็นทุกข์อือท่านประเด็นที่เรื่องทุกข์นะอริยสัจ 4 มาจากกระบวนการนี้ที่ทําครบทั้งหมดนี้คือมันจะอยู่อริยสัจ 4 มันโหอืมโดนข้ายุแล้วทําให้การเทียรนั้นมีขาดท่านนี่คืออันนี้โรคเกิดกับอ้าวเออโดยกับข้ายุไว้ทําให้เทียรมันเป็นทุกข์ทําอันนี้เป็นอนิจจัง <sa iden blessing> ก็มันวิกลลุกขัดหมดเรื่อยอธิการดาลันกัน 5 คุณคือกามันยิงกันขัดกันกับอธิการนิมีโทวิกิดันขัดมาอนยอดพลเนี่ยหนอนมันเป็นพื้นฐานอืออย่างข้อ 5 วิกลเดกนิโรธวิยกัตตังดูแต่ถ้าเยอะถึง 5 ได้เท่าคือราหูจาวโคพนิดทีนี้บางคนก็เปลี่ยนหน้าเลย อันหลักต่างๆจะได้ซึ่งทางทางทั้ง 3 มากความอะไรมันเป็นโล่งทางบางพอได้ขึ้นอืมไอ้แรงนี้ก็ลงมาก็มาอยู่ข้างหน้ากันก็โตอยู่ๆกระบวนการมันมีที่ไหนมันอยู่ในการในจิตของเรานี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น เรียนธรรมตัวเรียนขึ้นทุกข์ก็มีขึ้นสาเหตุที่จะเกิดทุกข์มันก็มีขึ้นก็เกิดเกิดต่างๆเป็นคนก็เกิดอยู่ขึ้นคือความดับทุกข์ก็ดับกันขึ้นดับทุกข์ด้วยวิธีการใดและวิธีการนั้นคือมาก็ดับด้วยวิธีการนั้นขึ้นก็อยู่ที่นี่นี่แหละญาณธรรมแท้แห่งเรียนที่ถูกต้อง มันคงเก็บที่เป็นมาตัวเองเราจะไปดูนอกนี่เราพบมาจากไหนจากพวกกับเสียงกับตีกับรถกับเครื่องสําคัญอันนี้ไปโดนอันนั้นเข้าขออัศักเรื่องนั้นเข้ามาคือแต่งให้เกิดความยุ่งหายมันเป็นสัญญาณของมันซึ่งเป็นลบของคือแค่นั้นแล้วก็ผลทุกคนมาเลยแหละเราพิจารณาเช่นมาได้หมายนี่ถ้าเห็นเข้ามาโดยแบบนี้ มันบ่ขาดไปขาดไปขาดไปผมอยู่พ่อมันก็เหลือนี่แต่ผมแล้วจะติดอัสสพันธ์เข้าไปดูนู่นให้เพื่อนที่นู่นให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะมีอะไรถามที่ใดก็ถามอย่าลืมว่าที่ทํางานแท้ๆคือที่นี่สถานอื่นนั้นเป็นฐานที่อนุยวยความสะดวกให้กับการงานของเรา งานของอาแคติพิจารณาอยสกตธรรมทั้ง 4 ที่เกิดสาลมมานะหาตันตาตตุนี่คืองานแท้เครื่องประพฤติกาลนี้ประทานให้ให้ธรรมให้งานนี้สําเร็จงานนี้สําเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกข์โดตกาทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาธุทั้งปวงเนื่องแล้วกันแต่ เรียนตกอริยสัจซึ่งมีอยู่ในการอังกฤษของผลนทางนี้สามารถสังกัดธรรม 2 โลกให้ได้ด้วยความกระหายและสามารถดําเนินให้เข้าใจได้โดยว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะธรรมเป็นของผิดคือทั้งเกิดขึ้นให้กันได้ด้วยกันมันเกิดมาจากอะไร มันทำแต่ทำหน้าที่ของตนอย่าไปหึงงานงานใดกลับก็เกิดลืดโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าประทานในนี้งานนี้แลงานที่ทําเค้าอบให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประสบได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆ์สาวกปกติดั่งเดิมมานั่งเดิมก็เป็นผู้ที่ทําแบบความทุกข์ด้วยอํานาจของกิเลสผุดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับพวก พวกเรานำเราทั้งท่านแต่ท่านก็วิเศษเลิศโลกได้เท่างานที่กับพุทธกิจอันประทานให้นั้นนี้คือสายมารคานตาตะตรงเป็นต้นจึงเรียกว่างานที่เอกผู้ใดเป็นผู้ผลกายทํางานนั้นเฉพาะผู้ต้องการความเป็นเอกนั้นมีอะไรมาเป็นผู้แข่งได้จึงเรียกว่าเอกคืออันเดียวเราคนเดียว มันมีอะไรมามาแข่งกันบรรดาทหารทั้งหลายไม่มีท่านองค์ใดจะแข่งใครเฉพาะมีสภาพเหมือนกันหมดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาแข่งกันพอเหมือนกันหมดแล้วจะแข่งกันหาอะไรถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องแข่งกันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข่งกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระองค์สุดท้าย นักภิกษุโยวาปาปิโยความยิ่งแล้วยอดแห่งความมืดดุนั้นไม่มีเลยน่ะอามิออกจากงานชิ้นเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้จึงเป็นงานที่เอกและทําได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของของงานยากจักถือว่าความพ้นทุกข์คนก็ได้ด้วยทางเหล่านี้ มันจะครนทุกข์ด้วยด้วยงานที่ติดมันท่อมันยุ่งขอบความไม่บายตอนอยู่เวลามันมีเป็นคือที่กิเลสพาเรามันอย่างมากหนอกิเลสกิเลสจึงจุดลากเราไปให้ชอบให้ครอบเคลื่อนตามมันไปเนื่องจากกิเลสนี้เป็นเคยเป็นสาตการของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่ากิเลสที่เป็นภาคติดต่อตัวแม้จะเป็นภาคติด ตรงไหนก็ตามในทุกส่วนอ่ะความไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยมาเห็นปรากฏสิ่งนี้เป็นภัยเป็นครั้งๆจิตมันก็ไม่สนัดมันก็ไม่สะดุดเมื่อไม่สะดุดแล้วก็เป็นความลื่นตัวตลอดไปท่านจึงเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงกับสิ่งเหล่านี้แหละหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะมันหลงนี่ตลอดเวลา เนี่ยหมอหาท่านเข้าใจพอเมื่อได้ธรรมเข้าไปก็เหมือนกับได้เครื่องต่อทางเครื่องภิสูธรรมก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปต่อสอนดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเราก็จะภาคว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังธรรมท่านสอนไว้ เมื่อเห็นว่าเป็นภัยณจิตใจกว่ากระดุกมันกระดุกแล้วก็หาทางต่อสู้กับมันเช่นธรรมคําเพียงเพื่อรักที่เหลี่ยมก็คือการต่อสู้กับที่เหลี่ยมนั่นเองการต่อสู้กันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการกีฬามันต้องใช้กําลังวังถาเป็นความสามารถเหมือนกันเช่นเขาเล่นกีฬานักกีฬาประเภทไหนถ้าลงแข่งกันต่อสู้กันแล้ว ถึงจะเป็นท่าเล่นก็ตามมันคือถึงสลบตายได้ก็หนึ่งมันหนักในขนาดนั้นมันลำบากมั้ยมันเป็นทุกข์มั้ยเพราะการต่อสู้นั้นแต่การต่อสู้ประเภทเหล่านั้นมันเห็นมีความวิเศษวิสุทธิอะไรโลกดำภาวโลกลมนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิรันดร์หาสาระได้ แต่มันนิยมยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นท่านคืออัตตระมันมันต้นมองถึงว่าหาตระไม่ได้ก็เกิดมันก่อนแต่ความทุกข์ความลําบากในการประกอบความผาดเพรียนเพื่อจะถอดถอนจริตซึ่งเป็นภาคสุดนี้กลับมาถือเป็นความลําบากการถือเป็นความลําบากก็เพราะความหลงจริตจึงมาถือการประกอบธรรมทั่วแก่จริตนั้นมาเป็นความลําบากนี่มัน จะท้อนกันหน่อยขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นมันก็อ่อนแอได้คนเราเพราะความเชื่อในกิเลสมันปั่นใจความเชื่อในธรรมน้อยน้อยนี้เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสำสมการพยัญญ์เสมอขึ้นเป็นผลประโยชน์หนักมีมากแล้วก็จะเห็นภัยของกิเลสทั้งประเภทต่างๆขึ้นไปโดยละหนักทํา ถึงระครั้งแม้มีนิดนึงก็เห็นความยากความลําบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีก็ต้องการจะชนะแค่เดียวอืมลมลุกคุกคามพัฒนาไหนมันปลิ้งตัวก็ได้เท่ากําลังของจักรเจ้าชนะอันนี้กําลังของใจที่จะชนะที่เลิศมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอ่อคงแรงลําบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังทุท้ายก็ขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความยากความลําบากแค่ไหนมันเห็นมีความสัมพันธ์กันเลยตายก็ตายสวรรค์ชีวิตไว้กับความเกลียดเพื่อความทนทุกข์เพื่อใครทั้งนั้นเท่านั้นขออย่างเดียวคือต้องการศาสนาขอศาสนาอย่างเดียวไม่ต้องกลับพึงมาให้ที่เหม็ดมันเหียบย่ําทําลายดูแลพบค่าต่างๆดําที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยนี่นี่อํานาจของธรรมเมื่อเราสั่งสมความมากย่อมมีพลัง เมื่อทํามีพลังมากเท่าไหร่กิเลสย่อมอ่อนกําลังลงไปและยิ่งเห็นภัยของกิเลสขึ้นโดยลําดับนั้นยังคุ้มค่าแห่งธรรมหาปริมาณไม่ได้ถึงขนาดชีวิตก็มอบได้เลยอืมก็คือการทําละความหลงให้ตามกิเลสความหลงที่นี่โมหะตัวความหลงความหลงอะไรอืมความหลงอาการกิเลสที่แสดงขึ้นกับตัวเราเองเห็นรูปก็หลงได้ยินเสียงก็ คือรถเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสกันๆนี่ก็หลงไปตามมันทั้งนั้นมีความหลงมันก็แตกตลอดวิลาเรานี่มันทําความหลงคืออะไรอยู่เหรอนะแล้วความรู้ไปรู้เข้าตามเรื่องที่มาสัมผัสมันเกิดขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สัมผัสกันกับสัมผัสกันถ้าปฏิพัญญามันอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้นอันไหนที่ติดปัญหาทั้งนั้นยังไม่พร้อมคือยังไม่มันก็โทษทากไว้ไปตามกันพิจารณาแก้ไขกัน หลายครั้งเราก็พบภาพประกันได้เพื่อนมาของความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรประเภทเหล่านี้แหละกับความเพียรเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้เหนือจริงตามคําพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเจตสํานุมานรักษาต่างๆประโตนนี่คืองานชิ้นเอกของนักทดหลักกับพึงเรียนกับพึงทําให้สําเร็จเมื่อสําเร็จงานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งได้ในโลกนี้ที่เลิกตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของดิเรก มันมีเคล็ดแผนอยู่ถ้าเกิดหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแทนเอโกทํานวนมีธรรมดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นนะให้พูดถึงเรื่องแบบธรรมธรรมชาติจริงๆแล้วคําว่าใจบริสุทธิ์เค้ายังเป็นสมมุติอันอยู่เลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมุติยิ่งเข้าไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวเนี่ยบทธรรมเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปว่าอะไรอีกลงถึงขั้นบริสุทธิ์เนี่ย ทำอย่างพอแล้วเมื่อธาตุขันธ์ของมันเป็นสมมุติอยู่แล้วเช่นนี้จิตขึ้นต้องยกขึ้นมาเทียบเคียงกับสมมุติเหล่านี้ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์คือเช่นพระอรหันต์เป็นต้นน่ะให้ถือว่าพระอรหันต์น่ะต่างจากคนธรรมดาเพราะมีธาตุมีขันธ์มีเครื่องสมมุติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเคียงกันธรรมะอรหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงกับโลกกับอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละจิตของพระอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลาย <tim> <t |zh|> เจาะนี่นี่ย According to the ふق chapter คุณผู้ซิหล hypotheses leaving last time, ended at the end of ourWait. Keyboard this term ได้ saliva but attention to varietyiscs and imp intelligence be found. ema stalled. ไม่ได้nai ถ Oualles are established. ท ало ฟ้มอด Auswina the working line in the thread. ไม่ได้แล้ว Imperial natureism mmmm� เนื้ Instruments be earned. ส تعande resulted in some kind thoughts on what is on it. ขอร่อกจริเ hvad แล้ว as Suzy ABDÍRO後参ฏค์, ด ird อด anstริ 5 remember purpose on it. ไม่ได้เร็วเข้าแล้วเหรอเป็นฟ้มอดสุด ก็ครบธรรมมากพอพอกับที่เลิกลิ้นหัวกิเลสแล้วกิเลสจะอยู่ไม่ได้เลยมันมีที่อยู่ทางขาก็เดินไปหมดนี่ก็เพราะเอ่อเรานักถือมันเมื่อขาดความนับถือแล้วมันสาดแส้งดีด้วยทั้งราทั้งด้วยแล้วมันจะอะไรมันประยกครอบตัวมันหน่อยไม่พอใจที่จะมาตั้งบ้านอยู่เหมือนถึงจะไปต่อไปอืมอ่ะมันหนักแน่นหนังใบนี้หนักปกต่างๆตาที่เจอ เจตสาลมอนันตภัพตะโจเป็นความฟืนรวนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุแต่ละพิจารณามันไม่ถึงความฟืนกับผืนก็ก็พลิกภิเนตภาวิตนาอืมทําภาวนาให้ฟืนแต่กิเลสมันสุดท้ายถูกไล่เวลาเราตั้งท่าพิจารณาแล้วพอตั้งท่าเหตุมันก็ตั้งท่าแล้วเดี๋ยวมันก็หลากออกไปนะอืมถูกน้ําท่วมนี้ต่อยงานไปเที่ยงงานเจตสามันกลับเป็นไงลมอนันตภัพตะโจมันกลับเป็นไง เหมือนกันทุกครั้งระยะเอ่อทุกครั้งที่ทางหน้าตาก็ไม่เลือกไปที่อะไรก็ไม่เลือกไปที่อย่างเพราะกิเลสมันไม่พาให้ได้เลือกนอกจากธรรมะที่พาให้ได้เลือกเลือกความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวเข้าทั้งกายทั้งผิดเป็นความจริงทั้งหลายและเรื่องของกิเลสทั้งโลกรรมตายเกิดตายเกิดก็เราเวลานี้นี่ไม่มีอะไรที่ได้สารอะไรถ้าทํา ยังไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงกันในที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันสามารถผ่านพ้นไปได้เอาให้จริงให้ชังเนี่ยมันดูหมู่ดูว่ามันเรารับทานมันก็จริงว่าสังขารอันหนึ่งเป็นหนึ่งแม่สังขตญาณพูดสังขีอนังขังมันมันเคลื่อนมันข้ามไปเลอะเลอะเถอะไปนี่เป็นการสอให้ถึงความจงใจความจริงที่เราปฏิบัติความพหุโอปศึกษากับบัด อย่างชัดๆเนี่ยทําไมเกิดความวินาศราได้ว่านั้นฟังไม่ถึงใจพอพูดผู้พูดออกมาแต่รับผูกแต่ละคําต่างเสียอะไรนี่ครบมาอย่างถึงใจกําหนดทุกระยะที่พูดก็เห็นนี้เองจริงๆไม่หวั่นเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นในประเทศที่เค้าว่าหลวงตาบัวหรือฌานาบัวนี้ดุอืมนั่นโลกนี่ว่าทําไม่เคยถึงใจเพราะเหตุนั้น ก็จะดีก็ดีก็ถูกก็ดีเราพร้อมเป็นเหตุผลทุกอย่างแล้วที่ผลก็ถูกทุกวันก็ถูกตามพร้อมเหตุผลด้วยคุณนั่นคือธรรมนี่นี่ทีนี้แล้วเราจะตรงหมายกับธรรมเพื่อทําเรื่องสําคัญทางนิติเตียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอะไรบ้างแล้วเชื่อธรรมก็พิจารณาทางหลักธรรมโดยหยิบดูทางเหตุทางผลนั่นเองดําเนินตามทางเหตุทางผลแล้วมันจะติดไปที่กรรมนั้นอืม มันเค้าตีเหล็กปังๆๆขึ้นน่ะขึ้นมามันวันท่านอะไรมาถามหมดนั่งเค้าตีเนี่ยเค้าตีอะไรน่ะจนตั้งปังๆๆน่ะระวังมีค่าบางตัวนึงค่าบางตัวเค้าเค้าตีเนี่ยนั่นน่ะเรายกประมาณ 2 คนเห็นมั้ยน่ะเหล็กที่แรกมันเป็นเหล็กข้างเหล็กท่อนนั้นพอมาตีแถบลมเสร็จตายลิงมั้ยมันปึ้งตังปึ้งตังอย่างงี้เป็นทั้งหมดกําลังตายแล้วเนี่ยนะเมื่อวินาทีเค้าอธิบายอะรีรงธนานั้นนี่แกนลิงขวัญแกนลิง ต้องขอบพระคุณให้ว่ายังพวกคุณมันถึงมากลายเป็นนี่เป็นขวัญขึ้นมาใช้การเจรจาได้เดี๋ยวถ้าถ้าท่านเอามาเป็นนี่เป็นขวัญได้มันต้องผ่านได้เข้ามาก่อนขอบคุณผ่านไปนะครับนั้นมันชุกเป็นดุ้งไปหมดแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนทั้งคนแต่ละคนทุกคนทําไมจะไม่มันมีเสียง แต่เค้าตีเหล็กมันมีเสียงเค้าถากไม้มาทําบ้านทําเรือนเค้ายังมีเสียงใช้กบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูมันก็มีเสียงเออแม้กระทิผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเค้าจะสร้างตั้งบ้านค่ําเดือนน้อยใหญ่มีมีเสียงทั้งนั้นเฮ็ดใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนถ้าพระเป็นพระทั้งคนทั้งองค์มันก็ได้มีเสียงเออเสียงบุเสียงนาฏอากาสําคัญต่างๆนั่นแหละ คือเสียงที่ทําคนให้ดีเหมือนกับหน้าท่าเค้าเตี้ยอืมเอาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเสียงเสียงก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนมันเป็นตึกเป็นน้ําขึ้นมาด้วยความเฟื้อหนาและมั่นคงนี่คือเสียงการแนะนําต่างๆของพระเจ้ากลางวันทั่วโลกดินแดนนิคหะปะคะการสนับสนุนยันยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเขียนเลือกเตี้ยเป็นของคู่พันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้ามันไปตามหลักธรรมนี้ ควรดีต้องดีความถูกต้องถูกด้วยเหตุผลนะแล้วจะตะเลาะกันอย่างไรเค้าจะตําหนิก็ตําหนิไปสิเค้าจะชมก็ชมไปปากของเค้าลิ้นของเค้าน่ะเรื่องหน้าที่ที่เราก็ปฏิบัติธรรมให้เดินแล้วตามธรรมนี้นี่นี่คือหลักดําเนินแล้วเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติแต่ละองค์องค์ท่านถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลภมาเป็นประมาณอย่างนักท่านกลับไปจากเหตุผลแต่สิ่งได้ที่เป็นด้วยเหตุผลให้ถือเข้ามาเป็นธรรมะ เป็นภาษิตเครื่องเตือนใจตนให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากทางอรูปนิพพานและอารมณ์ของใจดวงก็ตามมันคิดถึงเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องดีก็เป็นมรรคผลถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสงฆ์ธรรมแค่อาการเรานี่อยู่ปริติจะประเสริฐเพราะอ่ะยึดแต่สามัคคธรรมธรรมประเสริฐเพราะอ่ะถ้าเราจะเพาะพรรมเพียงความยับยีวอาหาร ปริยัติสติสมาธิปัญญานะอินทรีย์ 5 พละ 5 พละแปลว่ากำลัง 5 นะทัคคะวิยติสมาธิปัญญานะทัคคะความเพียรปริยัติความทักเพียรสติความรู้รู้ตัวความไม่เผลอสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่กันอันเป็นต้นจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาด้วยความมั่นคงของจิตพละที่เป็นเหตุก็ มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานทั้งหมดภาพเพียงเป็นที่เป็นเป็นแน่ด้วยความมั่นคงของใจอันนี้เป็นสมาธิฝากผลสมาธิฝากผลก็คือความมั่นคงของใจที่ตั้งแนวอารมณ์ไม่ก่อกวนได้อย่างง่ายๆเหมือนแต่ก่อนมาเนี่ยปัญญาที่จะนำทุรุปกผมไปหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครโง่นี่น่ะสาธารณไม่ออกมาจากคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่ องค์ผู้ฉลาดที่สุดแล้มคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้ง 3 ไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกได้ทั้ง 3 นี้ทีหน้าสอนโลกในขนาด 3 โลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกอันนั้นทั้งนั้นเราไม่สามารถไม่ได้สอนตัวเองยังไม่ได้รู้คิดยังไงมันผิดกันมั้ยกับพระพุทธเจ้า นั่นละคำที่ออกมาออกมาจากท่านพระชลาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดเหลี่ยมโคมสตินิเดตนั้นได้เพราะอํานาจของสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสําคัญเห็นปราคันนี้ถือพ้อมนั้นมันก็ผิดปัญญาการนอนกายเพราะนานกว่าจะให้จิตสงบให้จิตสงบด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากกลับครอกๆนั้นความสงบเรื่องอํานาจของความเพียรก็ต้องมีสติสักคบปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นจิตถึงจะมั่งคงได้ ปัญญากับสมาธิระหว่างมันก็เป็นสมาธิได้มียิ่งทางปัญญาเราอภิปิจารณาสอบส่องมองทะลุไปไหนได้หมดส่วนมากของปัญญาความเพียงน้อยที่พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วมันก็มีความคล่องตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกต้องว่ามุขครรมเพราะไม่คํานวณจะทําหลายครั้งลงมาไปพิจารณาคล่องตัวคําว่าปัญญานั้นหมุนติ้วเลยเนี่ยที่เราว่าปัญญาตนุมัติหรือมหาติปัณญาออกจากความไม่มุขครรมในเบื้องต้นซะก่อนพอพิจารณาไปพิจารณาไป ต้องเกิดกับคําพลอยก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองเรียกอัตโนมัติหรือว่าโทนิติกแล้วเรียกมหาทิมาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนมันมีแต่คอยที่จะพังลงทั้งนั้นเมื่อปฏิปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนจุดไหนเป็นพังลงไปทางลงไปปฏิปัญญาประเภทนี้เป็นเป็นปฏิปัญญาที่กว้างกว่ากว่าล้านอืมเนี่ยปฏิปัญญาที่กว้างล่างคือปฏิปัญญาประเภทนี้ให้ภาพกันต่อไปภาพ et nunc omnes tantam pignam explicabunt cum